ทริปหลอนขุนสถานจังหวัดน่านสัมผัสสยองต้องบอกก่อนว่าทางเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับสถานที่แห่งนี้แต่เรื่องราวที่กำลังจะถ่ายทอดต่อไปนี้ ได้ถูกยืนยันแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดโดยการยืนยันจากตัวเจ้าของเรื่องเองเมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวทั้งภาคเหนือกับเพื่อนรุ่นน้องอีกสองคนพวกเรานั่งเครื่องจากอุตรเผ่าไปลงที่เชียงใหม่แล้วเช่ารถซูซูกิสวิปไปเที่ยวกันเวลาเก้าโมงเช้าเราก็ไปที่แม่กำปองของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้น เราก็มุ่งหน้าสู่ขุนสถานจังหวัดน่านในระหว่างทางก็แวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแวะเที่ยวแพร่ด้วยไปกันสามหนุ่มสามมุมพวกเราออกจากแพร่ประมาณสี่โมงครึ่งก็มุ่งหน้าสู่ขุนสถานสาเหตุที่มาที่นี่เพราะมีน้องคนหนึ่งที่มาด้วยกันเคยมาเที่ยวที่นี่น้องเขาบอกว่าสวยมากที่พักก็ไม่แพงแล้วแต่จะให้ พราะนอนกันที่บ้านพักอุทยานก็เลยตกลงมาเที่ยวกันหลังจะขับรถจากแพร์มาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ถึงทางเลี้ยวขึ้นยอดเขาขุนสถานตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วอากาศก็เริ่มเย็นพอเริ่มขึ้นเขาก็จะผ่านหมู่บ้านชาวเขาเราเลยจอดแวะซื้อของกันเพราะกลัวว่าข้างบนจะไม่มีอะไรกิน แวะประมาณสิบนาทีก็ขึ้นเขาต่อระหว่างทางขึ้นเขาด้านข้างจะเป็นหน้าผาวิวสวยมากอากาศเย็นสบายดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินพอขับขึ้นไปใกล้อุทยานก็มืดแล้วระหว่างทางมุนยอดดอยก็มีบ้านพักโฮมสเตย์ตั้งอยู่ริมหน้าผาตอนนั้นพวกเราก็คุยกันว่าถ้าข้างบนที่พักเต็ม เดี๋ยวเราลงมานอนที่นี่ก็ได้ตรงนี้ที่พักเยอะแต่แปลกที่ไม่มีคนเลยพวกผมก็คิดว่าคงไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวคนเลยไม่เยอะและไม่มีใครพักที่โฮมสเตย์แม้กระทั่งคนเฝ้าก็ยังไม่เห็นสักคนก็คิดว่าคนแถวนี้คงนอนเร็วเพราะฟ้ามืดแล้วพวกเราเดินทางจากหมู่บ้านชาวเขา กว่าจะถึงอุทยานก็หลายกิโลเมตรใช้เวลานานพอสมควรพอมาถึงที่พักบนอุทยานก็มืดแล้วแต่ข้างบนสวยมากมองเห็นไฟตามถนนทั่วหมดเลยอากาศก็ดีด้วยจากนั้นพวกเราก็เดินไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามีที่พักว่างไหมเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาว่าคืนนี้เต็มแล้วเพราะที่พักข้างบนมีไม่กี่หลัง จากที่พวกเราดูก็เหมือนจะมีไม่ถึงสิบห้องพี่เจ้าหน้าที่ก็แนะนาว่าให้ลองลงไปดูที่พักเอกชนที่ผ่านขึ้นมาพี่เขาก็พาไปที่หน้าผาแล้วก็ชี้ไปที่หลอดไฟขาวๆเขาบอกให้ลองไปติดต่อที่นั่นดูพวกผมก็เลยรีบไปเพราะมันมืดแล้วกลัวจะไม่มีที่พักหลังจากนั้น พวกเราก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่แนะนำพวกเราขับรถออกจากอุทยานตอนนั้นก็มืดแล้วเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มอากาศก็เริ่มหนาวพวกเราทั้งสามคนก็ค่อยๆขับมาเรื่อยๆไม่ไกลจากอุทยานมากนักประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็เจอที่พักแรกแต่ไม่เปิดไฟเลยมืดมากพวกเราขับต่อไป ตลอดทางที่มานั้นไฟข้างทางก็ไม่มีบนถนนไม่มีรถผ่านสักคันเงียบมากมีแต่เสียงนกร้องชวนขนหัวลุกแตกต่างกับบรรยากาศตอนขึ้นมาเหมือนอยู่คนละโลกเลยพวกผมก็มองหาโฮมสเตย์ที่พี่เจ้าหน้าที่แนะนำให้ขับผ่านมาเกือบสองกิโลเมตรได้ก็ใกล้ถึงน้องคนที่เคยมาแล้วก็บอกว่าพี่ ที่เนี่ยผมเคยมาตอนเป็นวัยรุ่นเคยขี่มอเตอรา์ไซค์มากับเพื่อนมาแอบนอนตรงเขาขายสตอรอเบอรี่ตรงเนี้ยแอบกินสตอรอเบอรี่เขาด้วยแล้วก็โดนจับได้ยายแก่เขาก็ด่า <c oughs> นี่ก็นานแล้วนะแกคงจําหน้าไม่ได้หรอกแล้วมันก็เหลือที่พักที่เดียวที่อื่นก็ไม่มีแล้วปิดไฟมืดหมดจะลงกลับไปนอนตีนเขาก็ไกล เพราะทางมันมืดเลยตกลงกันว่าจะนอนที่นี่แหละเพราะพวกเราไปถึงป้ายโฮมสเตย์ก็มีเบอร์โทรติดไวเลยลองโทรเข้าไปก่อนเพราะทางขึ้นที่พักต้องเดินขึ้นไปบนเขาอีกรถยนต์ขึ้นไปลําบากเพราะไม่มีไฟเลยน้องอีกคนก็โทรไปแต่ไม่มีคนรับพวกเราเลยคิดว่าจะจอดรถไว้ข้างๆกับป้ายที่พักแล้วจะเดินขึ้นไป พอก้าวขาลงจากรถก็รู้สึกได้เลยว่าอากาศข้างนอกเย็นมากเย็นกว่าเดิมและข้างนอกก็มีเสียงนกร้องน่ากลัวมากใจผมตอนนั้นก็เริ่มหวาดหวัน่นเพราะเป็นคนมีเซน์อยู่พอสมควรแต่ก็คิดว่าถ้าแสดงอาการกลัวเดี๋ยวพวกน้องมันจะกลัวไปด้วยหลังจากนั้นพวกเราทั้งสามก็เดินขึ้นไป ที่พักเป็นถนนแคบๆทางชันขึ้นเนินเขาระหว่างที่เดินไปก็ตะโกนไปด้วยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆเพราะพวกเราเดินมาใกล้จะถึงข้างบนอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรหลอดไฟที่เปิดอยู่จู่ๆก็ดับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนมองหน้ากันเอาแล้วไงสักพัก ผมก็มองไปรอบๆก็เห็นทางซ้ายมือมีอะไรบางอย่างเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่ประมาณ30เมตรได้แต่มันมืดมากเลยมองไม่ค่อยเห็นพวกเราตัดสินใจเดินไปที่บ้านหลังนั้นพอเดินมาใกล้ก็เห็นว่ามันเป็นสารอะไรสักอย่างผมตกใจพูดออกมาว่าเฮ้ยนี่มันสาลเนี่ จากนั้นน้องทั้งสองคนก็วิ่งหนีกันหมดวิ่งลงไปที่รถผมก็วิ่งตามไปแต่ระหว่างทางก็ได้ยินเสียงนกเหมือนนกมันเห็นพวกเราหรืออะไรสักอย่างนกตัวเดิมแต่ร้องดังขึ้นกว่าเดิมอีกพวกเราทั้งสามรีบพุ่งขึ้นรถล็อกรถแล้วก็มีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ผมได้ยินมีคนตะโกนว่าน้องน้อง ตอนที่พวกเรากำลังวิ่งลงมาผมเลยหันไปมองก็เห็นเงาดำๆเหมือนคนยืนอยู่ตรงสารแต่มันมืดก็เลยมองเห็นไม่ชัดผมเลยพูดขึ้นมาว่าพอๆไม่ต้องพูดไม่มีอะไรหรอกไปหาที่อื่นดีกว่าไปไปรีบไปแล้วเราจะไปที่ไหนละพี่มันมืดแล้วผมก็เลยบอกว่าออกไปก่อนอหอยรถออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาทางเอา ในระหว่างนั้นน้องมันก็เข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อออกจากทางเข้าที่พักพอรถเริ่มขยับถอยหลังเซ็นเซอร์ที่ติดท้ายรถก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะชนกับอะไรบางอย่างทุกคนหันไปมองพร้อมกันแต่ข้างหลังไม่มีอะไรเป็นพื้นที่โลง่ลงๆก็งงกันว่าเซ็นเซอร์ดังได้ยังไงเลยบอกให้น้องคนขับลองขับไปข้างหน้า แล้วค่อยถอยหลังใหม่เพราะเข้าเกียร์ถอยหลังเซ็นเซอร์ก็ดังอีกน้องคนขับจึงรีบขับพุ่งออกจากตรงนั้นมาเลยพอขับออกมาได้ประมาณสามร้อยเมตรก็จอดข้างทางผมจึงถามน้องว่าจอดทำไมน้องก็บอกว่ารอบสองที่เขาถอยนั้นเขาหันไปมองกระจกหลังก็เห็นเงาดำๆอยู่ที่หลังรถน้องอีกคนเลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอก ก็เลยลองถอยหลังตรงนี้ดูว่าจะดังไหมก็ปรากฏว่าเซนเซอร์ไม่ดังงงกันมากทีนี้ผมก็นึกยังไงไม่รู้อยากทดลองไหนไหนก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยบอกกับน้องว่างั้นเดี๋ยวลองขับไปที่เดิมอีกทีแล้วถอยหลังดูน้องคนขับก็บอกว่าไม่เอาหรอกพี่น่ากลัวน้องอีกคนเลยบอกว่า ไปไปลองดูจะได้รู้แล้วพวกเราก็กลับไปที่เดิมพอไปถึงป้ายทางขึ้นที่พักก็เลยลองทดสอบถอยหลังดูอีกครั้งแล้วเสียงเซ็นเซอร์ก็ดังอีกผมเลยคุยกับน้องอีกคนว่าปะ่ะเอ็งลงมากับพี่เดี๋ยวเอากระดาษทิชชู่ไปเช็ดดูเพื่อมีอะไรไปติดหรือมีฝุ่นไปเกาะเซ็นเซอร์น้องมันก็ไม่กล้าลงผมก็เลยดึงลงมาช่วยกัน พอผมเอากระดาษเช็ดตรงเซ็นเซอร์เสร็จก็รีบวิ่งขึ้นรถกันแล้วให้น้องคนขับเข้าเกียร์ห้อยหลังแต่เ ซ, เซ็นเซอร์ก็ยังดังเหมือนเดิมตอนนั้นผมขนลุกมากเลยรีบให้น้องขับออกไปพวกเราคุยกันว่าถ้าขับลงไปข้างล่างมันอันตรายถนนมืดน่ากลัวแล้วก็ไม่ชินทางด้วยเลยบอกว่า ลองขับไปหาที่พักแถวๆนี้ดูค่อยๆขับระหว่างทางไม่ไกลจากที่พักที่ออกมาเมื่อกี้ก็มีบ้านพักริมถนนอยู่ตรงฝั่งหน้าผามีหลายหลังเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่และไม่เปิดไฟเลยเพอขับไปได้อีกประมาณห้ารยเมตรก็เจอที่พักหนึ่งเปิดไฟอยู่คิดว่าคงจะนอนที่นี่แหละน่าจะมีคนอยู่ พอเปิดไฟหลายดวงเลยไปจอดหน้าที่พักผมบอกกับน้องว่าเฮ้ยเอ็องจอดรถอ่ะขันหน้าออกถนนนะเพื่อมีอะไรจะได้ออกทันผมก็พูดติดตลกขำคันไปอย่างนั้นแหละเพราะตอนนี้คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วพวกเราก็ลงจากรถเดินไปจากนั้นก็ตะโกนถามว่าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ จะติดต่อห้องพักหน่อยครับแต่มันกลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆพวกเราก็เลยเดินเข้าไปดูใกลๆไฟที่ติดอยู่ก็เป็นไฟจากแผ่นโซล่าเซลล์ที่เปิดติดแบบอัตโนมัติสรุปแล้วตรงนี้ไม่มีคนอยู่เลยเดินไปยิปป้ายเพื่อโทรไปเบอร์ที่ติดไว้โทรไปครั้งแรกก็ไม่มีคนรับสายผมเลยตัดสินใจโทรไปอีกครั้ง ก็มีผู้ชายรับสายเขาบอกว่าที่พักคือละแ0 0อบาทผมจึงบอกเขาว่าตอนนี้ก็สองทุ่ม ก, กว่าแล้วผมขอห้าร้อยได้ไหมพี่เขาก็บอกว่าได้แต่เป็นห้องตะเกียงไม่มีไฟฟ้าผมตอบตกลงเพราะจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายพี่เขาก็บอกว่ารอประมาณ2ี่ินาทีเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเพราะตอนนี้ พี่เขาอยู่ที่ตีนดอยทุกคนก็เลยขึ้นมารอบนรถเพราะข้างนอกหนาวมากแล้วเสียงนกที่ไหนไม่รู้ก็มาร้องเสียงดังอีกพวกเราเปิดไฟหน้าฟังเพลงนอนรอกันในรถเพราะมันมืดมากแล้วอากาศก็เย็นด้วยจนเวลาผ่านไปประมาณ20สนาทีก็ยังเงียบไม่มีคนมาเลยพวกเราจึงรอต่อไป ผ่านไปอีกสิบนาทีก็มีรถวิ่งมาคิดว่าใช่แล้วพี่เขาคงมาแล้วแต่ปรากฏว่ารถคันนั้นวิ่งผ่านขึ้นดอยไปผมก็เลยพูดว่าทำไมนานจังวะเอ็งลองโทรหาพี่เขาหน่อยสิถึงไหนแล้วน้องก็เลยโทรไปหาพี่คนนั้นแต่ก็ไม่มีคนรับโทรซ้าอีกครั้งก็ไม่มีคนรับอีก ในระหว่างที่น้องกําลังโทรอยู่ผมก็เลยเปิดกระจกรถมองดูวิวริมหน้าผาแล้วตาผมก็มองไปเห็นตรงที่พักเป็นเหมือนที่พักพนักงานซึ่งเป็นห้องเล็กๆไม่มีประตูปิดมีมุ้งกางอยู่ด้วยพอผมมองเข้าไปด้านในแสงไฟจากรถก็ส่องให้เห็นเป็นภาพลางๆแล้วสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันก็คือผ้ายัน หายันแขวนอยู่เต็มไปหมดมีเป็นสิบผืนเหมือนกับว่ามันเป็นสำนักสงผมเลยรีบบอกน้องไปว่าไปไปไปสตาร์ทรถรีบไปมีอะไรพี่เออรีบไปไปก่อนแต่รถกลับสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดน้องก็ถามว่าพี่เป็นอะไรยิงลองดูที่ห้องนึงสิแล้วทุกคนก็หันไปมอง ไม่เห็นมีอะไรนี่พี่เอ็งเปิดกระจกลงแล้วดูภาพที่เห็นมันเป็นผ้ายันที่แขวนไว้สบัดปลิวพลิวไหวสบัดไปสบัดมาดูแล้วหน้าขนลุกแล้วน้องก็รีบเอากระจกขึ้นพอสตาร์ทรถติดก็เข้าเกียร์เหยียบคันเร่งรีบขับออกมากลับไปทางอุทยานอีกครั้งพอออกมาได้ประมาณห0 0รอยเมตร ก็มีนกอะไรไม่รู้บินมาชนกระจกรถเสียงดังมากรถจึงหักหลบลงข้างทางแล้วนกตัวนั้นก็ตายคาที่ทุกคนต่างตกใจผมก็เลยบอกน้องว่ากลับขึ้นไปข้างบนเถอะมันไม่ใช่แล้วไปขอนอนกับเจ้าหน้าที่ดีกว่าพอพวกเราขึ้นมาถึงอุทยานก็ไปเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเขาก็ยิ้มยิ้มแต่ไม่พูดอะไร แล้วพวกเขาก็คุยกันว่าจะเปิดห้องประชุมของอุทยานให้พวกเรานอนพี่เจ้าหน้าที่ใจดีมากพูดจาดีจัดหาที่นอนให้พวกเราประทับใจมากคืนนั้นกว่าพวกเราจะได้นอนก็เล่นเอาหลอนกันไปเลยข้างบนอุทยานเย็นสบายบรรยากาศดีมากๆกลางคืนดวงดาวเต็มท้องฟ้าคืนนั้น พวกเรานอนหลับสนิทดีไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกพอตื่นเช้ามาพวกเราก็ออกมาดูทะเลหมอกมันสวยงามมากทําให้ลืมเรื่องเมื่อคืนไปเลยถ้ามีโอกาสผมก็อยากกลับไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมต้องขอจองห้องพักบนอุทยานไว้ก่อนเรื่องที่เล่ามานี้เป็นเรื่องจริงถ้าใครได้มีโอกาสไปที่แห่งนี้ ลองถามเจ้าหน้าที่ดูก็ได้ว่าเคยมีเด็กหนุ่มสามคนมาพักแล้วที่พักเต็มจึงได้นอนในห้องประชุมหรือเปล่าผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงยังจำพวกเราได้ สมภัสสยอง